สำหรับผมที่จะนํามาเ่านี้ผมทําจังหวะขึ้นให้ดูเส้นพลิกมือคลื่นตะแคงไว้ให้มีผมรู้สึกตัวยกมือคลืนครึ่งตัวให้มีสติเข้าไปรู้เอามือเข้ามาสะดือให้มีสติเข้าไปรู้พลิกมือซ้ายตะแคงคลืนให้มีสติเข้าไปรู้ ยกมือซ้ายขึ้นไปครึ่งตัวให้มีสติเข้าไปรู้เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาให้มีสติเข้าไปรู้เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้มีสติเข้าไปรู้เอามือขวาออกมาไว้ตรงข้างให้มีสติเข้าไปรู้ลดมือขวาลงที่ขาขว่าตะแคงไว้ให้มีสติเข้าไปรู้ข้อมือขวาลงที่ขาขวา ให้มีสติเข้าไปรู้เลื่อนมือซ้ายขึ้นมาหน้าอกให้มีสติเข้าไปรู้เอามือซ้ายออกตรงข้างให้มีสติเข้าไปรู้ลดมือซ้ายลงวางที่ขาซ้ายจะแขงไว้ให้มีสติเข้าไปรู้ห้วมมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้มีสติเข้าไปรู้อันนี้เป็นวิธีทำซาสานเจริญแบบนี้นั้น บอกให้หลับตาให้นั่งก็ได้ยืนก็นได้นอนก็นได้<ม>นั่งทํายืนทํานอนทําก็ได้<ม>เวลาเดินจงกรมไม่ให้เจงแข น, เ, นเอามือกอดหน้า อ, อกไว้หรือเอาคั้วไว้ข้างหลังก็ได้วิธีนั่งนั้นจะนั่งเหยียดขาก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้ มีเก้าอี้นางยอนแพรงยอนขากระไดแต่น่งยอนขานั้นบัวให้เอาเข้าหักไปไ่อยมาบัวให้แกให้มันนั่งนิ่งนิ่งแต่ไหวบนใดให้รู้สึกตัวอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่สองนั้นต้องดูความคิดพยายามดูความคิดแต่ไม่ให้เข้าไปในความคิด ให้ออกจากความคิดให้ได้ถ้าหากผู้ใดเขาไปในความคิดแล้วมันเป็นอารมณ์มันเกิดอารมณ์รู้นั้นรู้นี้ไปอนันต์เอว่ารู้ความคิดไม่ใช่เห็นความคิดขันถ้าผู้ใดบูเห็นความคิดนั้นมันเข้าไปในความคิดมันเป็นอารมณ์รู้อนนั้นรู้อันนีนนนเนนน้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อนันต์รู้ความคิดบูได้เห็น ถ้าเขาเห็นของคิดมันคิดมาปั๊บเขาเห็นปุ๊บมันหยุดทันทีเหมือนแมวจับหนูหนูออกมาแมวจับปุ๊บหนูนี้ออกไปบดได้หรือเปียกอีกอย่างหนึง่งกับเขาอยู่บนมันมืดเขาต้องการข่มสว่างแต่เขามีไฟฟ้าพอดีมันมืดเขาไปกดไฟฟ้ากดตีดปับ๊บ แสงไฟมันวิ่งไปตามสายของมันไปทํำผมสว่างขึ้ับหลอดมาคุณนี่มันเป็นสันอันนี้ก็คือการอันนี้ย่างนานไม่เกินสามปีมวิธีตอนนี้มันจะรู้ผมคิดชัดเจนขึ้นมาย่างนานไม่เกินสามปีย่างแรกนั้นไม่เกินยี่สิบวันรู้อันนี้ย่างนานไม่เกินสามปีคัน้นตีต่อไป การตัดสู้หรือการยังรู้ของบุคคล น, นั้นมีอยู่แล้วทุกทุกคนไม่มีการยกเวน้นอันนี้ก็เหมือนกันการตัดสู้และการยังรู้มีอยู่แล้วในคนทุกๆกคนาเาวานกัก็ไยบนยกเวน้นการตัดสู้นั้นถ้าว่ายาภาษาของผมตัดขมรู้มันคิดขึ้นมาตัดขมรู้การตัดสู้ การยั่งรู้รู้เข้ามาถึงชีวิตจิตใจของเขาจริงจริงการยั่งรู้รู้ไปลึกไปเต้นแค่ใดนั้นท่านจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองท่านจะหมดทุกทุกเพราะเรื่องอะไรทุกเพราะความสงสัยทุกเพราะว่าโทสะโมหโลภทุกเพราะว่าความยึดมัน่นถือมัน่นเป็นวา่า แล้วสิ่งนี้เมื่อจเจริญถึงขั้นตอนแต่โบลูมันจะเกิดเมือ่อใดวันใดบรูจะเจริญถึงขั้นตอนแล้วอุปมาเปรียบเทียบให้ฟังดูความคิดนี้ถ้าหากเราดูได้สัตว์ได้ส่วนงานของสติงานของสมาธิงานของปัญญาเกิดขึ้นรวมเรียกว่า งานปัญญาของวิปัสนาเกิดขึ้นวิปัสนานั้นพันวันรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วต่างเก่าลวงภาวะเดิมหมดสิ้นลวงภาวะเดิมที่หมายถึงอันไหแก่ก่อนนั้นเราบบรู้ความคิดนี่เรารููซื่อๆเราโบโเห็นความคิดเมื่อเห็นความคิดดีได้สัตย์ได้ส่วนญานมันขึ้นเอื้อขึ้นมารู้แจ้งรู้จริงแล้ว โทสะโมหะโลภะนี่จะจืดหรือจะจางคลายลงไปถ้าหากว่าอุปมาให้ฟังนั้นน้ำสีแต่ก่อนนั้นคุณภาพมันดี้อยเปือ้อนสีน้ำแดงก็ตามฟางน้ำดำก็ตามเอาไปย้อมผ้าขาวมาจิจิเนเมื่อผ้าติดเมื่อผ้าห่าทั้งหมดทีเดียว ถ้าน้ำแดงผ้ามันก็จะเป็นสีแดงเปี้ยงออกมาโรดถ้าหากเป็นน้ำดำสีดำก็จะไปติดผ้าดำปึ๊บมึดทีเดียวอันเขาโบาทันรู้เขาโบาทันมีญาณปัญญานั้นก็คือกันมีเขาโกรธเขาเกลียดเขาสั่งคนนั้นคนนี่มันปึ๊บเหมือนกับไฟไม้มืด น, นั่นเต็มที่มันโลดครับมันเป็น บัดนี้เขามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอบรมจิตใจกว่าไดวาจันใดก็ไดให้ได้สัตว์ได้ส่วนมั น, ม น, มนเร้มันทีเป็ดนำยอมไม้มันจีจางจืดไปอย่างกันนนำย้อมเต็มกระป๋องคุณภาพมันไม้มันเสื่อมถ้าเป็นน้ำแดงก็ตามน้ำดำก็ตาม เอาไปยอมผ้าขาวมันจิตบูตติดครับบจตติดเนือผ้าติดมันก็จิเป็นมลเลนไปซื่อถ้าหาอไปลางน้ำมันจิตออกโหลดเป็นอย่างไนรับรองได้จริงๆเรื่องนี้นี่แหละแสดงว่าการเจริญให้ถูกต้องตามแบบพระพุทธเจ้ารับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย รับรองคำพูดคำสอนของตัวเองอีกแะด้วยรับรองระยะเวลาใกล้ลอีกแะด้วยเป็นอะไนที่ผมรับรองนี่ดังนั้นพระรัเจ้าจึงรับรองคำสอนของเพิ่นว่าจะเริญให้ถูกต้องแล้วเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้ถ้าห้าเขาเฮ็ดถึงหกปีเจ็ดปีแล้วยังบ่าปากฏเฮ็ดไปเฮ็ดยัง แสดงว่าเฮ็ุบทุกันเหตุในเข้าปีสิบปีกับบทุกเฮาบวชเรียนเขียนอ่านมาที่ปีห้าปีบางคนเก้าปีสิบปีก็บวชได้แสดงเรื่องนี้แล้วก็แสดงว่าเขาบวดได้ปฏิบัติตามแบบของพระพุทธเจ้าคันได้ปฏิบัติตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงแบบพบระพุทธเจ้าว่า ให้มันเป็นทางพ้นทุกข์ไป<ม>เพลินวาอย่างนันอันนี้ยังมีทุกข์อยู่ผู้ใดบวชมาเก้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็ตามสัง่งผมกระเซื อ, อยุเพราะผมก็เคยบวชเป็นเนตรเป็นเจ้าหัวหนุ่มผมก็เคยบวชคือกันแต่ผมบวเข้าใจเรื่องนี้เมื่อผมไปเจริญเรื่องนี้แล้วผมเกิดผมคิด เกิดข่มมั่นใจเกิดขม่มรู้ว่มเห็นเป็นอนาทิงสิ่งนี้ถูกต้องไม่พลาดผิดไม่พาดผิดจริงๆรับรองเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้ควอมจิงสิ่งสิ่งนี้แหละที่ทุกคนต้องการอยู่แต่เขาหักบลูวิธีทำเท่านั้นดังนั้นวิธีทาวิธีพูดวิธีเห็นวิธีรู้ วิธีเข้าใจมันต้องมีวิธีบอสระว่าเขาจะไปนั่งเว้านั่งคุยนั่งลมกันแล้วจิเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจบ่มันต้องมีวิธีทําที่แทว ว, ว, ว, วิธีธรรทําทางจิตทางใจนี่ยากกลัววิธีทําจังหวะให้เห็นเพราะว่ามันเป็นสองวิธีลเลยเนี่ยเป็นหรือท่นวิธีสร้างจังหวะนี่ เป็นวิธีให้มีสติเข้ามาจับหรือว่ามีสมาธิให้รู้สึกตัวตื่นตัวกระได้หรือว่าให้มีปัญญารอบรู้อันนี้กระไดแต่วิธีทางจิตทางใจให้เอาสติมาดูจิตดูใจนั้นเพราะใจมันกระ่บมีตน่ามีโตสติมันกระโบปิดตนาเป็นโ ต, นนตสมาธิมันกระโเปิดตนาเป็นโตน